คำบดแปลเรื่องที่93สเรื่องนางกีสาโคตมีภาคที่สเรื่องที่13ของวรรคที่8สหัสวัควันานาพระสัสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปรารบนางกีสาโคตมีตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าโยจะวัสสตังจีเวเป็นต้นได้ยินว่า ซับสี่สโกดในเรือนของเศรษฐีคนหนึ่งในกรุงสวัสดีได้กลายเป็นฐานหมดตั้งอยู่เศรษฐีเห็นเหตุนั้นเกิดความเศร้าโศกจึงห้ามอาหารเสียนอนอยู่บนเตียงน้อยสหายผู้หนึ่งของเศรษฐีนั้นไปเรือนถามว่าเหตุไรจึงเศร้าโศกเล่าเพื่อนฟังความเป็นไปนั้นแล้วกล่าวว่า อย่าเศร้าโศกเลยเพื่อนฉันทราบอุบายอย่างหนึ่งจงทำอุบายนั้นเถิดเศรษฐีทำอย่างไรเล่าเพื่อนสาหายเพื่อนท่านจงปูเสือลำแพนที่ตลาดของตนทำฐานให้เป็นกองไว้จงนั่งเหมือนจะขายบรรดามนุษย์ที่มาแล้วมาแล้วคนเหล่าใดพูดอย่างนี้ว่าชนที่เหลือขายผ้า น้ำมันน้ำผึ้งได้น้ำอ้อยเป็นตน้นส่วนท่านนั่งขายถานท่านพึงพูดกับคนเหล่านั้นว่าเราไม่ขายของของตนจกทำอะไรส่วนผู้ใดพูดกับท่านอย่างนี้ว่าชนที่เหลือขายผ้าน้ำมันน้ำผึ้งได้น้ำอ้อยเป็นตน้นส่วนท่านนั่งขายเงินและทองท่านพึงพูดกับผู้นั้นว่าเงินและทองที่ไหน ก็เมื่อเขาพูดว่านี้ท่านพึ่งพูดว่าจงนำเงินทองนั้นมาก่อนแล้วรับด้วยมือทั้งสองของที่เขาให้ในมือของท่านอย่างนั้นจะ ก, กลายเป็นเงินและทองก็ผู้นั้นถ้าเป็นหญิงรุ่นสาวท่านจงนำนางมาเพื่อบุรในเรื่องของท่านมอบทรัพย์สี่สิบโกดธให้แก่นางพึงใช้สอยเงินทองที่นางให้ ถ้าเป็นเด็กชายท่านพึงให้ทิดาผู้เจริญวัยแล้วในเรือนของท่านแก่เขาและมอบทรัพย์40โกดให้แก่เขาใช้สอยทรัพย์ที่เขาให้เศรษฐีนั้นกล่าวว่าอุบายดีจึงทำฐานให้เป็นกล่องไว้ในร้านตลาดของตนนั่งทำเหมือนจะขายคนเหล่าใดพูดกับเศรษฐีนั้นอย่างนี้ว่าจนที่เหลือทั้งหลายขายผ้า น้ำมันน้ำผึ้งและน้ำอ้อยเป็นต้นท่านนั่งขายฐานก็ให้คำตอบแก่คนเหล่านั้นว่าฉันไม่ขายของของตนจกทาอย่างไรครั้งนั้นหญิงรุ่นสาวคนหนึ่งชื่อโคตมีปรากฏชื่อว่ากีสาโคตมีพระนางมีสรีระแบบบางเป็นทิดาของตระกูลเข่าแก่ไปยังประตูตลาดด้วยกิจอย่างหนึ่งของตน เห็นเศรษีนั้นจึงกล่าวอย่างนี้ว่าพ่อชนที่เหลือขายผ้าน้ำมันน้ำพึ่งและน้ำอ้อยเป็นต้นทำไมท่านจึงนั่งขายเงินและทองเศรษฐีเงินทองที่ไหนแม่นางโคตมีท่านนั่งจับเงินทองนั้นเองไม่ใช่หรือเศรษฐีจงนำเงินทองนั้นมาก่อนแม่นางกอบเต็มมือแล้ว วางไว้ในมือของเศรษฐีนั้นฐานนั้นได้กลายเป็นเงินและทองทั้งนั้นลำดับนั้นเศรษฐีถามนางว่าแม่เรือนเจ้าอยู่ไหนเมื่อนางตอบว่าชื่อน้อนจ้ะรู้ความที่นางยังไม่มีสามีแล้วจึงเก็บซัพ์นํานางมาเพื่อบุตรของตนให้ซัพย์40โกดไว้ซั์ทั้งหมดได้กลายเป็นเงินและทองดังเดิม สมัยอื่นอีกนางตั้งคันโดยการล่วงไปสิบเดือนนางคลอดบุตรแล้วบุตรนั้นได้ทํากาล้าแล้วในเวลาเดินได้นางห้ามพวกชนที่จะนําบุตรนั้นไปเผาเพราะนางไม่เคยเห็นความตายอุ้มร่างบุตรผู้ตายแล้วด้วยสเสลด้วยหวังว่าจะถามถึงยาเพื่อบุดเราเที่ยวถามไปตามลําดับเรือนว่า ท่านทั้งหลายรู้จักยาเพื่อบุรของฉันบ้างไหมหนอทีนั้นคนทั้งหลายพูดกับนางว่าแม่เจ้าบ้าไปแล้วหรือเจ้าเที่ยวถามถึงยาเพื่อบุรที่ตายแล้วนางสำคัญว่าจากได้คนผู้รู้จักยาเพื่อบุรของเราแน่แท้จึงเที่ยวไปทีนั้นบุรุษผู้เป็นบัณฑิตคนหนึ่งเห็นนางแล้วคิดว่า ทิดาของเรานี้จากคลอดบุตรคนแรกไม่เคยเห็นความตายเราเป็นที่พึ่งของหญิงนี้ย่อมควรจึงกล่าวว่าแม่ฉันไม่รู้จักยาแต่ฉันรู้จักคนผู้รู้ยานางโคตมีใครรู้พ่อบัณฑิตแม่พระสัสดาทรงทราบจงไปตูนถามพระองค์เถิดนางกล่าวว่า พ่อฉันจกไปจกทูลถามพ่อดังนั้นแล้วเข้าไปเฝ้าพระสัสดาถาวายบังคมแล้วยืนอยู่นะที่สุดข้างหนึ่งทูลถาม ว, าาว่าทราบว่าพระองค์ทรงทราบยาเพื่อบรของหม่อมฉันหรือพระเจ้าข้าพระสัสดาเออเรารู้นางโคตมีได้อะไรจึงควรพระสัสดา ได้มเมล็ดพันุ์ประกาศซักหยิบมือหนึ่งควรนางโคตมีจักได้พระเจ้าค่าแต่ได้ในเรือนใครจึงควรพระศัสดาบุตรหรือธิดารไร่ในเรือนของผู้ใดไม่เคยตายได้ในเรือนของผู้นั้นจึงควรนางทูลรับว่าดีละพระเจ้าค่าแล้วถวายบังคมพระศัสดา อุ้มบุตรผู้ตายแล้วด้วยเอลเข้าไปภายในบ้านยืนที่ประตูเรือนหลังแรกกล่าวว่ามเมล็ดพันธุ์ผักกาศในเรือนนี้มีบ้างไหมทราบว่านั่นเป็นยาเพื่อบรของฉันเมื่อเขาตอบว่ามีจึงกล่าวว่าถ้าอย่างนั้นจงให้เถิดเมื่อคนเหล่านั้นนำมเมล็ดพันธุ์ผักกาศมาให้จึงถามว่าในเรือนนี้ บุตรหรือีิดาเคยตายไม่มีบ้างหรือแม่เมื่อเขาตอบว่าพูดอะไรแม่เพราะคนเป็นมีเล็กน้อยคนตายนั่นแหละมีมากจึงกล่าวว่าถ้าอย่างนั้นจงรับมาเ็ดพันประกาศของท่านไปเถิดนั่นไม่เป็นยาเพื่อบุรของฉันแล้วได้ให้คืนไปเที่ยวถามโดยทำนองนี้ตั้งแต่เรือนหลังต้น นางไม่รับเมล็ดพันธุ์ประกาศแม้ในเรือนหลังหนึ่งในเวลาเย็นคิดว่าโอ้กัมหนักเราได้ทำสำคัญว่าบุตรของเราเท่านั้นตายก็ในบ้านทั้งสิน้นคนที่ตายเท่านั้นมากกว่าคนเป็นเมื่อนางคิดอยู่อย่างนี้หัวใจที่อ่อนด้วยความรักบุตรได้ถึงความแข็งแล้วนางทิ้งบุตรไว้ในป่า ไปยังสำนักพระศาสดาถวายบังคมแล้วได้ยืนนที่สุดข้างหนึ่งลำดับนั้นพระศาสดาตรัสกับนางว่าเธอได้มเมล็ดพันธุ์ผักกาดประมาณหยิบมือหนึ่งแล้วหรือนางโคตมีไม่ได้พระเจ้าข้าเพราะในบ้านทั้งสิน้นคนตายนั่นแหละมากกว่าคนเป็นลำดับนั้นพระศาสดาตรัสกับนางว่าเธอเข้าใจว่า บทของเราเท่านั้นตายความตายนั่นเป็นธรรมยั่งยืนสำหรับสัตว์ทั้งหลายด้วยว่ามัจจุราชุดคร่าสัตว์ทั้งหมดผู้มีอัธยาศัยยังไม่เต็มเปียบนั่นแลโลงในสมุทรคืออบายดุดห่วงน้ำใหญ่ฉะนั้นเมื่อจะทรงแสดงธรรมจึงตรัสพระคาถานี้ว่าตังปุตตะปะสุสัมมะตังบยาสัตตะมนสังนรัง สุดตังกามังมโหโควะมัจจุอาดายัคชิตีติมริตยูย่อมพาชนผู้มัวเมาในบุตรและสัตว์ของเลี้ยงผู้มีใจส่านไปในอารมณ์ต่างๆไปดุดห่วงน้ำใหญ่พัดชาวบ้านผู้หลับไหลไปฉะนั้นในการจบพระคาถานางกีสาโคตมีได้ดำรงอยู่ในโสดาปฏิผลแม้ชนเหล่าอื่นไปนั้นมาก บรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปฏิผลเป็นต้นทั้งนี้แลนางกิสาโคตมีนั้นทูลขอบรรพชากับพระศาสดาแล้วพระศาสดาทรงส่งไปยังสำนักของนางภิกษุณีให้บรรพชาแล้วนางได้อุปสมบทแล้วปรากฏชื่อว่ากิสาโคตมีเถรีวันหนึ่งนางถึงวาระในโรงอุโบสถ นั่งตามประทีปเห็นเปลวประทีปปลุกโผงขึ้นและเรีลงได้ถือเป็นอารมณ์ว่าสัตว์เหล่านี้ก็เหมือนอย่างนั้นเหมือนกันเกิดขึ้นและดับไปดังเปลวประทีปผููถึงพระนิพานไม่ปรากฏอย่างนั้นพระสัสดาประทับนั่งในพระคันธกุฎีนั่นแลทรงแผ่พระศมีไปดังนั่งตรัสตรงหน้านางตรัสว่า อย่างนั้นแหละโคตมีสัตว์เหล่านั้นย่อมเกิดรละดับเหมือนเปลวประทีปถึงพระนิพพานแล้วย่อมไม่ปรากฏอย่างนั้นความเป็นอยู่แม้เพียงขณะเดียวของผู้เห็นพระนิพพานประเสริฐกว่าความเป็นอยู่100ปีของผู้ไม่เห็นพระนิพพานอย่างนั้นดังนี้แล้วเมื่อจะทรงสืบอนุสนทิสแสดงธรรมจึงตรัสพระกาถานี้ว่าโยจะ วัสสตังจีเวอปสัสซังอมตังปัดังเอกหั่งจีวิทังเสโยปะสะัสโตอมตังปดงัดันติก่อผู้ใดไม่เห็นบทอันไม่ตายพึงเป็นอยู่หนึ่งรปีความเป็นอยู่วันเดียวของผู้เห็นบทอันไม่ตายประเสริฐกว่าความเป็นอยู่ของผู้นั้นแก้อดัดบรรดาบทเหล่านั้นสองบทว่า อมตตังประดังความว่าอมตะมหานิพานอันเป็นส่วนที่เว้นจากมรณะคำที่เหลือเช่นเดียวกับคาที่มีในก่อนนั่นแลในการจบเทสนานางกีสาโคตมีนั่งอยู่ตามเดิมนั่นแลดํำรงอยู่ในพระอรหันตพร้อมด้วยปฏิสัมพิธาทั้งหลายดังนี้แลเรื่องนางกีสาโคตมี